การได้ยินได้ฟังอัตธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมเป็นความราบลื่นภายใน จ, ใจิตใจเพราะใจของเรานั้นใช้างานอยู่ตลอดเวลาไ ม, ไม่มีสิ่งใดบุคคลใดที่จะ ประกอบหน้าที่การงานดูตลอดเวลาไม่มีการพักผ่อนย่อนตัวบ้างเลยเหมือนใจที่คิดอยู่ตลอดเวลานี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าใจนี้ทํางานไม่หยุดไม่ถอยทั้งหนักทั้งเบาไม่ทราบว่างานใดเป็นงานหนักจะคอยจะค่อยพักผ่อนย่อน กำลังแห่งความหนักนั่นลงสู่ความเบาเพื่อบันเทาตนเองอย่างนี้ไม่มีเพราะใจไม่รู้ว่าจะพักผ่อนอย่างไรบ้างมีแต่หนักก็ดิน้นเบาก็ดีดมีแต่ความดีดความดิ้นอยู่ภายในจิตใจเพราะสิ่งผลักดันนั้น ผลักดันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยจิตจินงต้องดีต้องดิ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเทียบกับงานทางโลกแล้วก็ไม่มีงานใดที่จะทำมากมีงานมากหมุนตัวอยู่ตัวตลอดเวลานี่เหมือนจิตนี่เลยเมื่อการปฏิบัติธรรม คือจิตตะภาวนานะเป็นเครื่องประกอบกันเข้าบังใจก็มีการพักผ่อนหย่อนตัวเช่นหดตัวเข้ามาสู่ความสงบเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องดึงดูดในเบื้องต้นมีคำบริกรรมเป็นสำคัญบังคับ จ, จิตใจให้ทำงานอยู่กับคำบริกรรม เช่นเดียวกับทำจิตใจคิดอันหรือปรุงแต่งในงานอื่นนั้นอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยความมีสติเพราะงานนี้เป็นงานทางด้านของมรคที่จะทำจิตใจให้สงบได้ไม่เหมือนกับงานทางด้านสมูดไทยที่กิเลสบีบบังคับ ให้ทำให้คิดให้ตุงใจเมื่อได้มีอัดมีทำเข้าเป็นเครื่องระงับดับอารมณ์ทั้งหลายยังเหลือแต่อารมณ์คือคำใบกัมนั่นเท่านั้นย่อมจะ <c oughs> สงบตัวเข้ามาได้แล้วเห็นความเย็นใจเห็นความสบายใจขึ้นภายในจิตดวงที่เคยรุ่มร้อนนั่นแหละ การเทศนาว่าการดังที่ผมเป็นอยู่เวลานี้อันเป็นไปไม่ได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเลยเพราะธาตุขันบอกอยู่ตลอดเวลาว่าไม่สามารถอ่อนลงทุกเว ล, เวลามาความจดความจำอันเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะทำงานในการเทศนาว่าการนี้ก็เราไม่อยากจะพูดเพียงคําว่าสึกหรอ นอกจากว่าเสื่อมลงไปโดยลำดับลำดายจนจะไม่มีความจำเหลืออยู่แล้วภายในใจนี้เท่านั้นแล้วเหมาะกับความเป็นอยู่เวลานี้เพราะฉะนั้นจึงไม่อาจจะเทศนาว่าการอบรมพระเนนดังที่เคยปฏิบัติมาได้จึงต้องพักไปพักไปนี่ก่อนนับแต่วันกลับมาจากกรุงเทพวันที่ยี่สิบ เมษาจนกระทั่งบัดนี้ถึงในเริ่มมาประชุมเทศบ้างวันนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเทศไปได้มากน้อยเพียงไรเพราะความจำนี้เสื่อมลงเสื่อมลงจับหน้าชนหลังจับหลังชนหน้าลงหน้าหลงหลังเหมือนกับคนไม่เคยเทศประหนึ่งว่าเด็กเพิ่งฝึกหัดพูดเท่านั้นนี่แหละเรื่องสำคัญ มันไม่สืบไม่ต่อกันพอพูดไปพูดไปลืมหายเงียบไปเลยไม่ทราบตกไปไหนถ้าระลึกได้ก็มาต่อกันไปความต่อกันไปด้วยความระลึกได้นี้ก็ไม่เต็มเม็ด เ, เต็มหน่วยตามหลักแห่งการเทศทางภาคปฏิบัติถ้าระลึกไม่ได้ก็ตั้งใหม่ขึ้นมาก็ไปเรื่องใหม่เสียพอจะเป็นเรื่องเป็นราวก็ลืมหายตกไปอีก แล้วก็ตั้งใหม่ขึ้นมาเทศเพียงครั้งเดียวนั้นสะเป็นตั้งขึ้นเป็นเทศไม่รู้กี่ครั้งคือขึ้นไปคนละแห่งละหนไปคนละวัตละตอนไม่เกี่ยวเนื่องกันเลยเพราะความจำหายไปแล้วนี่จึงไม่ได้เทศส่วนอื่นก็นับมาพอประมาณ กำลังบางชาก็พอเป็นไปแต่ความจำนี้รู้สึกว่าเสื่อมลงอย่างมากทีเดียวจนเจ้าของก็รู้ได้ชัดถึงกับได้พูดออกมาในก่อนหน้านี้แล้วว่าต่อไปนี้จะเทศไม่ได้เพราะเครื่องมือคือความจำสัญญาไม่ทำงานให้เหมือนอย่างแต่ก่อนอยากขาดเมื่อไรก็ขาดไปอยากหยุดเมื่อไรก็หยุดไป แล้วการเทศจะเทศไปได้อย่างไรเมื่อไม่มีสัญญาความจำได้หมายรู้ที่จะจับประติตประต่อกันเพื่อเป็นเรื่องเป็นราวต่อไปได้มีหลักใหญ่ถึงขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในวัดนี้เทศก็มีที่เทศไว้แล้วเอาเทศไปฟังเทศนั่นแหละคือธรรม คำสั้งสอนของพระโพธิเจ้าการเทศนาว่าการผมก็ไม่ได้มีความสงสัยในการเทศนั้นว่าไม่ถูกเทศด้วยความเต็ม อ, อกเต็มใจเทศด้วยความแน่ใจในทางเหตุก็เป็นที่แน่ใจไม่สงสัยทางผลจะมีมากน้อยเพียงไรก็ตามก็แน่ใจไม่สงสัยเช่นเดียวกัน ทั้งสองอย่างคือเหตุกับผลนี้รวมลงในเทพแต่ละกันละกันอยู่แล้วเมื่อฟังนั้นก็พอจะเป็นคติเครื่องเตือนใจเราได้ถ้าไม่ปล่อยใจให้ทะเลถลายไปเสียดังที่เคยเป็นมาและอยากจะพูดและเป็นอยู่เวลานี้ต่อไปก็ยังจะเป็นไปอีกอย่างนี้แล้วก็หมดหวัง <c oughs> ในเพศนักบวชของเรา คำว่ามรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานเล ก, กลายไปอยู่เมืองอินเดียกลายไปอยู่กับพระพุทธเจ้ากลายไปอยู่กับพระสงฆ์สาวกที่ท่านปรินิพานไปแล้วนั้นเสียหมดไม่มีอะไรติดหรือเหลือหรือตกค้างอยู่เลยในศาสนาธรรมของท่านที่ประกาศสอนไว้ซึ่งท่านได้จดจารึกในกัมพีไบลาน เพราะเหตุใดเพราะไม่ได้ถือคำภีบาลานอันเป็นศาสนธรรมของท่านมาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ไม่ว่าทางแง่ธรรมไม่ว่าทางแง่วิ น, นัยกลายเป็นความไม่สำคัญไปหมดสิ่งที่สำคัญก็คือความดื้อด้านหารธรรมโดยไม่คิดอ่านแต่จรองอะไร ในเรื่องความผิดความถูกประการใดให้เหนือไปจากความอยากที่มันบีบบังคับอยู่ภายในจิตใจให้แสดงออกมาทางกายทางวาจาทางความประพฤตินั่นเลยนี่เป็นสิ่งสำคัญแล้วนักผลนิพพานก็กลายเป็นสิ่งที่สุดเอื้อหมดหวังไปหมดโน้นคิดไปเมืองอินเดียคิดไปถึง ความปริพานของครูพระเจ้าและสาวกนั้นเลยทุ่มเทไปน้นหมดความทุ่มเทไปน้นเพื่อจะได้ผลกลับมาก็ไม่มีทั้งทุ่มเทไปด้วยทั้งเป็นความล่มจมหมดหวังไปด้วยในเวลาเดียวกันที่จะย้อนเข้ามาสู่สาสนาธรรมที่ท่านจดจารึกไว้ในคัมภีร์บาลานทั้งสามปีดก ใจก็ไม่ได้สนใจเสียไม่มีหวังอะไรกับนี้เสียแต่หวังโน้นหวังก็หวังหลงหลงแรงแรงไม่ได้หวังอย่างที่จะนำมาเป็นคติเพื่อปรับตรุงตนเองให้เกิดผลขึ้นมาเสียเนี่ยย้อนเข้ามาสู่คำพีก็ไม่ได้เห็นคำพีเป็นของสำคัญยิ่งกว่าความอยากความทะเยอทะยานความพุ่งเฟ้อเหอเหิมของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจในี้เสีย สุดท้าเขามีอะไรเหลืออยู่ภายในตัวของพระของเนรผู้ปฏิบัติเราเหลือก็เหลือแต่กิริยาว่าเป็นพระทุรงกรรมฐานเป็นกิริยาที่แสดงออกอย่างผิผิวเผินๆนี่เท่านั้นส่วนใจไม่ได้ฝังนึกลงในอัตในธรรมในศีลในสมาธิในปัญญาในวินุิความดุดพ้นตามหลักศาสนธรรมท่านสอนไว้นันเลยนี่นนจึงเป็นพระที่เรียกว่าโมฆะ เปล่าจากผลจากประโยชน์ในเพศของพระทั้งๆ ท, ท, ที่เพศของพระนี้เป็นเพศที่ตักตวงเอามรรคผลนิพพานดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านท่านเป็นเพศอันนี้แหละทรงผ้ากาสาวพัดไม่เว้นแต่พระองค์เดียวที่ไม่ไทรงผ้ากาสาวพัดและเพศอันนี้แหละเป็นเพศที่ตักตวงเอามรรคผลนิพพานและเป็นเพศที่ ได้ประกาศตะทวนโลกแห่งชาวพุทธของเรามาจนกระทั่งบัดนี้ว่าพุทธทางธรมงงมงแท่นังขาฉามิเป็นสาระที่ตายใจมั่นใจได้คือออกมาจากเพศอันนี้แหละแต่เมื่อเพศอันนี้มาถึงของมาถึงพวกเราแล้วเลยกลายเป็นผ้าเหลืองปกคลุมหุ้มหอดตอไม้ไปเสียเราจึงเป็นเหมือนกับตอไม้ จะจับกิเลสจะจับโยนไปที่ไหนก็ได้ไม่ว่ามันจะบ่งการไปทางไหนไม่ได้มีความคิดความอ่านอะไรเลยว่าความอยากประเภทนี้มาจากอะไรไม่ว่าอยากเห็นอยากดูอยากได้ยินได้ฟังอยากคิดอยากตุงในแง่ใดเรื่องใดอดีตอนาคตแม้ปัจจุบันที่เป็นธรรมารมณ์ก็มีแต่อารมณ์ของกิเลสทั้งนั้น ไม่ได้มีความรู้สึกตัวเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการชมระกิเลสหรือเป็นเรื่องของการสั่งสมกิเลสให้มีกําลังมากมูลขึ้นนี่จึงเรียกว่าเป็นพระหัวต่อครองเรื่องครองผ้ากาศผัสสะแต่ตัวของเราไม่ได้ทําหน้าที่แห่งความเป็นพระบางพระพุทธเจ้าและสาวกท่านดําเนินและสอนไว้ โดยลำดับมาอย่างทุกวันนี้เพราะฉะนั้นผลจึงไม่ปรากฏเรื่องมรรคผลนิพพานตั้หนึ่งว่าเป็นเ ส, เสนียดจันไยแก่ชาวพุทธเราเข้าไปโดยลำดับแล้วทุกวันนี้แราพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานพูดถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติตัวเพื่อมรรคผลนิพพานรู้สึกจ ะ, สะแสลงแทงใจ ของชาวพุทธเรามากมายเพราะในชาวพุทธของเราล้วนแล้วแต่เป็นครั้งกิเลสที่ต่างคนต่างส่งเสริมให้หนักมือมากเข้าทุกทีทุกทีจนปรากฏที่ว่าเป็นหน้าอุจจารบาตตาของท่านผู้ดีทั้งหลายเพราะในโลกนี้ปราดยังไมมีไม่จะมีแต่ประเภทเล่นละครสะจด ล, ล้อนต่อหน้ากันอย่างไม่อายอย่างนี้นี่ที่เป็นหน้าสะก ด, ดสังเวชมาก คำสังสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมชาติที่คงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่ด้วยเหตุด้วยผลด้วยมรรคผลนิพานไม่มีอะไรบกบางเลยสิ่งที่บกบางก็คือผู้จะประกอบหน้าที่การงานเพื่อมรรคผลนิพานนีมน่มันบกบางหรือเบาเอามากหรือจนแคบไม่มีไม่ปรากฏเลยนี่ที่สําคัญแล้วสุดท้ายก็มรรคผลนิพานก็มีแต่ชื่อ หรือศาสนาก็ศักิ์แต่ว่าเป็นพิธีตนจียาแห่งชาวพุทธเพียงงามตาโลกคืองามตาที่เลนี้เท่านั้นไม่ได้งามหัวในหัวใจแห่งที่เป็นที่จิติอยู่แห่งธรรมเลยเนี่ยเป็นที่น่าสดุดสังเวชเอามากมายนักหนา <c oughs> พวกเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างในการปฏิบัติธรรมธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้ ตะจนกระทั่งถึงวิสุทธิธรรมนั้นไปรวมตัวถูกกักขังไว้ที่เมืองอินเดียหมดแล้วเหรอตั้งปัญหาขึ้นถามเจ้าของดูนี้ยไปรวมตัวอยู่กับพระสงฆ์สาวกท่านผู้ปริยพานไปจนไม่มีเหลือแล้วนั่นแล้วเหรอท่านขวัญขวายด้วยเหตุผลกลมกลาอะไรทำไมจริงไม่นำมาคิดบ้าง ทำทุกบททุกบาทสอนเพื่อแก้เพื่อชำระกิเลสเพื่อให้จิตใจมีความสะอาดสงบร่มเย็นและมีความเฉียวฉลาต่าเปลืองเรื่องดือายในหัวใจของตนเองขึ้นโดยลำดับทำไมจึงไม่ได้คิดและไม่ได้นำมาซักฟอกแก้ไขดัดแปลงหรือฝึกทรมานตนบ้างมันเป็นยังไงนี่ให้ตั้งปัญหาถามเจ้าของ <c oughs> เวลานี้เป็นอย่างนั้นซะมากต่อมากแล้วและสุดท้ายต่อไปนี้จะพูดเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ได้หวัวเราะกันเต็มบ้านเต็มเมืองพร้อมกิเลสมันหน้าด้านอย่างออกหน้าออกตาไม่มีขยะข ย, ยงต่ออัดต่อทำเลยไม่มีอย่างอายมันแสดงได้อย่างเต็มที่อย่างที่เรารู้เห็นเห็นถ้าดูก็เห็นถ้าสังเกตก็รู้ว่ากิเลส ออกปีสลาดทะเลเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างทั้งชาวพระของเราทั้งชาวโลกทั่วๆไปสําหรับชาวพุทธและกระจายออกไปจากนั้นมันมีแต่นาเรื่องเหล่านี้มาใช้กันอย่างออกหน้าออกตาถือว่าเป็นสิ่งที่ทันสมัยทั้งๆที่ไร้ผลไร้ประโยชน์ไร้ความสุขก็พอใจที่จะสั่งสมอยู่นั่นแหละนี่ และสิ่งที่จะระงับดับสิ่งเหล่านั้นไม่คำนึงถึงเลยอย่างนี้สิ่งเหล่านั้นจะระงับดับลงได้อย่างไงเมื่อไม่มีใครสนใจนํามาระงับดับมันยุชะล้างกันสุดท้ายมันก็ดําเหมือนตอตะโกหมดทั้งตัวทั้งใจนั่นแหละทั้งๆ ท, ที่ประกาศตนอยู่อย่างอาภานว่าเป็นลูกศิปทถาคตเป็นพุทธบริษัท เป็นชาวพุทธมันก็มีแต่ลมปากเท่านั้นเราเองก็ว่าเป็นพระมันก็มีแต่ลมปากตัวจริงที่จะควรได้ส่งคือสมาธิปัญญาวิมุตติพจน์ไม่มีในหัวใจเพราะภาคปฏิบัติที่จะนำทมเหล่านี้ขึ้นมาปรากฏในหัวใจเรามันไม่มีนี่สำคัญอยู่ตรงนี้จึงทำให้มีตกวิจาร ผมพูดตามหลักความจริงผมมิตกวิชารมากจริงๆไม่ใช่ว่าเรานิเรศเลิบ ก, ก, กว่าโลกกว่าจัาารไปที่ไหนความคิดอย่างนั้นเราก็ไม่มีแต่ความเป็นอย่างนี้มันมีอยู่ก็ต้องบอกว่ามีมิตกวิชารเพราะสิ่งที่มันรออมันแหลมมันเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้หัวใจของสัตว์โลกจนแสดงมาทางกิริยามายาส แทบหาอย่างอายไม่ได้และหาอย่างอายไม่ได้นั้นมันท่วมทน้นเต็มจัดเต็มบุคคลเวลานี้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนักบวชฆราวาสใครก็มีแต่เรื่องเสาะเรื่องแสวงเรื่อ ง, ส, องส่งเรื่องเสริมกันให้เป็นพื้นเป็นไปหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันคำว่าธรรมคำว่าธรรมคำว่าบาบะบุญนั้นหมดไปหมดไปสุดท้ายคำภีก็อยู่ในตู้ในหีเปิดออกมาดูไม่ได้หัวเราะกัน ไม่ต้องพูดถึงจะามาปฏิบัติให้เห็นต่อหน้าต่อตากันนี่เลยเพียงแต่จะเปิดคัมภีร์ธรรมะออกมาอ่านก็หัวเราะกันแล้วนั่นละ่ะเรื่องของกิเลสเมื่อมันมีมากเข้ามากเข้ามันมันเป็นอย่างนั้นเต้นเย้ยหัวใจของท่านของเรานี่เลยอย่าเป็นหมายหัวใจของผู้ใดดูหัวใจของเจ้าของนี้เป็นสาคัญกิริยาใดแสดงออกมามีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นแต่เราก็ภูมิใจ แม้ที่สุดเดินจงกรมอยู่นั่นเป็นอย่างไรบ้างหัวใจเรามันดีดมันดิ้นไปไหนกี่ทวีปอดีตล่วงมาแล้วกี่ปีกี่เดือนมัน ก, ก็เอามาปรุงมาแต่งมาอุ่นดูนั่นแหละให้เป็นของที่สุดร้อนๆแล้วเผาเจ้าของอยู่ต่อหน้าต่อตาต่ อ, ต อ, ต อ, ต อ, ตอในทางจงกรมนั่นแหละอนาคตก็ไม่สู้ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเป็นลมๆแรงๆมันก็ ปรุงแต่งขึ้นมาให้เป็นตนเป็นตัวเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสมบัติพระสถานเป็นเทบุตรเทวดาขึ้นมาในหัวใจของเรานั้นด้วยความเป็นลมๆแรงๆนั่นแหละปัจจุบันคิดออกก็คิดออกเพื่ออดีตเพื่ออนาคตซึ่งเป็นเรื่องลมๆแรงๆแต่ไฟที่เกิดขึ้นจากอารมณ์นั้นมันเป็นไฟจริงๆ เขาใจของเรานั่นแหละนี่เรื่องเป็นอย่างในเนี่ย <Yeah, S 1> ถึงว่า <Yeah. S 1> เดินจงกลมอยู่มันก็สั่งสมตั้งแต่กิเลสและทาจะมีที่ไหนปรากฏถ้าผู้ตั้งใจจะให้เป็นมากเป็นผลจริงๆความจดจ่อต่อเนื่องแห่งสติธรรมาของเราตับใ จ, จอ็ไม่ห่างกันเพราะหนึ่งว่าใจดวงนี้ถูกจองจำตลอดเวลาด้วยอำนาจของสติ ปัญญาครอบอยู่เสมอเพราะกิเลสมันครอบอยู่ภายในถ้าติปัญญาครอบอยู่ภายนอกบังคับกิเลสแม่มันดิน้นมันดิดพาจิตใจดิ้นดิดไปดังที่เคยเป็นมานี่จึงเรียกว่าใจนี้เป็นเหมือนกับผู้ต้องหาปกติก็เป็นผู้ต้องหาของกิเลสถูกย่ํายีสีไฟตลอดเวลาทับออกมาจากนั้นก็เป็นเรื่องของสติปัญญาเข้าช่ว ย, ยจิตใจ นี่ก็เป็นกองทุกข์อันหนึง่งเพราะต้องต่อสู้กับกิเลสเนี่ยจึงเป็นเหมือนจิตจึงเป็นเหมือนกับผู้ต้องหาเวลาหนักต้องหนักการประกอบความภากเพียรนี้จำว่าเบาไม่ได้ในนิสัยวาสนาฐานะของเร า, เราท่านท่า น, ท, านที่เป็นอยู่บัดนี้ไม่ใช่ผู้ที่จะสุกเอาเผากินได้อย่างง่ายดาย เหมือนครั้งปุตตการที่มีปุณิสัยสามารถต่างกันกันกบพวกเรานั้นไม่ได้ว่าท่านเป็นจุกเอาเผากินแต่เป็นผู้ที่รู้อย่างรวดเร็วพ้นได้อย่างรวดเร็วเพราะความพร้อมแล้วพร้อมแล้วที่จะพ้นพวกเราไม่เช่นไม่เป็นเช่นนั้นเจียต้องได้ตะเกียกตะกายเต็มทัศนกําลังความสามารถของตนเราอย่าไปคำนึงว่างานนี้หนักไป กิเลสบีบบังคับเราหนักมากยิ่งกว่านี้แล้วบีบบังคับมานานเท่าไหร่ตัวเราเองก็นับไม่ได้นี่ก็เคยแสดงให้ฟังแล้วมาดูกี่ครั้งกี่คนนานเท่าไหร่นการประกอบความเพียรที่จะต่อสู้กับกิเลสชำละกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจหายความทุกข์ทรมานทางใจโดยประการทั้งปวงนั้นทําไมเราจะทําไม่ได้ พักนานขนาดไหนในชีวิตของเรานี้มีกี่ปีกี่เดือนมันก็ตายเอาขณะที่มีชีวิตอยู่นี่ซึ่งพอจะต่อสู้กันได้เอาลงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนั้นอันถึงจะได้ครองอย่างน้อยก็ความสงบเย็นยใจจะปรากฏขึ้นมาวันนี้ว่างนั้นเลยขึ้นเมธีนั่นะการขึ้นเมธีเป็นยังไงยาง เขาต่อยมวยนั่นชกมวยเป็นยังไงพอขึ้นเวทีก็พร้อมแล้วที่จะต่อสู้ใครก็หวังเอาชัยชนะอย่างเดียวเท่านั้นนีระหว่างกิเลสกับธรรมก็ออส่วนส่วนมากต่อมากก็คือกิเลสมันเป็นฝ่ายชนะอยู่แล้วธรรมที่จะเขาเข้าไปต่อกรกับกิเลสยึงต้องได้ใช้สติปัญญาศรัท ธ, ธาความภาคความเพียรความอดความทนอย่างหนานแน่นแม่นยำ ไม่เช่นนั้นกิเลสจะไม่ถลอกปอกเปิดเลยเอา ข, ขณะนี้สู้ได้อย่างนี้ขณะต่อไปก็ให้เป็นแบบเดียวกันเหมือนกับขณะที่เป็นอยู่เวลานี้ชั่วโมงใดก็ตามเวลาใดก็ตามวันใดก็ตามต้องมีการต่อสู้กันอยู่ยนี้ตลอดเวลาที่กิเลสยังสั่งอยู่ภายในจิตใจหาเวลำเวลาไม่ได้เลยการประกอบความภาคเพียนเราจะไปหาเวลำเวลาอย่างนั้นไม่ทันกับกิเลสนี่อริยวัจนักหนักที่ตรงนี้ ผู้ประกอบความเพียรในเบื้องต้นหนักด้วยกันทุกคนแต่ไม่ได้หนักไปตลอดเวลาเมื่อเราหนักมือเข้าสติหนักเข้าปัญญาหนักเข้าความเพียรทุกด้านความอดความทนหนักเข้าหนักเข้ากิเลสจะค่อยอ่อนตัวลงไปให้พึงทราบว่านี้ผลแห่งการประกอบความภาคเพียรปรากฏเช่นนี้เพราะสติดีปัญญาดี ความเพียรดีความอดทนดีความสืบต่อเนื่องกันดีเป็นสัมปะชัญญะถ้าพูดถึงเรื่องสติให้ตั้งอยู่อย่างนั้นนั่นลหละเราจะได้เห็นความเบิกกว้างออกของกิเลสมันเบิกกว้างออกจากใจไม่บีบบังคับเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาจิตใจถ้าว่าพูดถึงเรื่องเป็นลมหายใจก็พอหายใจได้พอสะดวกสบายนะสู้กันเรื่อยไป นี่ขั้นเริ่มแรกไม่มีขั้นใดจะหนักยิ่งกว่าขั้นเริ่มแรกทั้งไม่รู้วิธีด้วยถูถ่ายกันไปอย่างนั้นตอนนี้เราก็ได้ยินได้ฟังอุบายวิธีการต่างๆจากครูจากอาจารย์พอจะยึดเป็นคติหรือเป็นเครื่องมือแห่งการดาเนินได้นอกจากเราไม่นำมาใช้เท่านั้นอันนี้เป็นหลักสาคัญ ในเบื้องต้นนี้ต้องด้หาอุบายวิธีการต่างๆใช้อยู่ตลอดเวลาสติปัญญาไม่เพียงจะไปแก้กิเลสต้องหาอุบายมาแก้กิเลสหาอุบายหาวิธีการวิธีใดถูกวิธีใดได้ไดผลวิธีใดไม่ได้ผลพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมนี่เรียกว่าปัญญาแล้วก็มีคมหนึ่งสันหนึ่งจนได้ขณะหนึ่งจนได้ที่จะไปเจอกันกับกิเลสแล้วได้ผลขึ้นมา แล้วยึดเอาไว้เป็นหลักเองเนี่ยเนี้ยสาคัญนั่งที่ผมเคยพูดเรื่องผ่อนอาหารนี่นี่เป็นเรื่องสาคัญมากนะในวัยของเร า, เราท่านท่านนี้เป็นวัยที่คึกที่ขนองทางท่าทางขนันเพื่อเสริมจิตใจให้คึกขนองยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ของมันถ้นะาหากว่าร่างกายมีกำลังมาก ราคาตันหาก็มีกำลังมากรุนแรงชาติปัญญาไม่มีความหมายเลยล้มละลายล้มละลายนี่เคยปฏิบัติมาแล้วจึงได้นํามาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังถึงได้เอากันถึงพลิกถึงขิงถึงเป็นถึงตายเมื่อทั้งนี้อ่อนร่างกายเราอ่อนลงเพราะไม่เสริมมันสติปัญญาก็ค่อยดีขึ้นนั่น ในในวันนั้นแหละอเริ่มตั้งแต่วันนั้นไปเรื่อยๆสติปัญญาค่อยดีขึ้นค่อยสืบต่อกันไปได้เนี่ยแล้วค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นร่างกายกาลังของร่างกายอ่อนตัวลงเท่าไหร่สติปัญญาของเราที่หนุนอยู่ตลอดเวลาด้วยความผักเปลี่ยนนั้นย่อมจเจริญขึ้นเรื่อยๆ เ, เด่นชัดนั่น ถึงขั้นเด่นชัดว่าสติเป็นอย่างนี้นะเมื่อสติดีใจย่อมไม่ดีดไม่ดิด้นเพราะกิเลสไม่เตะไม่ยันมันเอาว่าเตะว่ายันนี่ดีกว่ามันก็เหมาะเพราะกิเลสประเภทนี้มันก็อ่อนตัวลงไปเมื่อไม่มีเครื่องเสริมแล้วค่อยพยายามหนักเข้าไปหากมันจะเป็นจะตายจริ ง, รงเราไม่มีใครจะรู้ยิ่งกว่าเรารู้เรา ถึงเวลาจะผ่อนผันสั้นยาวกันแล้วก็ผ่อนผันสั้นยาวถึงเวลาจะเด็ดก็ต้องเด็ดนี่คืออุบายวิธีการบำเพ็ญตัวให้ได้หลักได้เกณฑ์นในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนี้ต้องหนั ก, พก เ, นเพราะกิเลสประเภทนี้หนักมากนะผมพูดโกงๆตามหลักแห่งความจริงไม่ได้เป็นของยาบโลนอันใดเลยเพราะมีอยู่ในหัวใจของสัตว์ของบุคคลทุกประเภทไปถ้ายาบโลนเอามาันมากอด ไม่ทำไมตื่นมันทำไมเป็นบ้ากับมันทำไมถ้าวามันเป็นของหยาบโนลนฉลาดทิ้งครับป่าเขาโลกที่ไหนมันก็ไม่ได้เสียดายเราแต่เราเสียดายมันต่างหากนี่ยสิ่งนี้มีอยู่กับหัวใจทุกคนและทําลายจัดโลกให้รับความบอบช้ำรับความทุกข์ทรมานจนถึงการทําบาปทํากรรมอย่างชาั่วช้าละโมกเ ส, ส, สียสหัสก็เพราะธรรมชาตินี่แหละจึงเรียกว่ามันหยาบโลนเมื่อนําสิ่งที่จะแก้ไขความหยาบโลนนี้ ออกทำไมจะเป็นของอยากไปนี่ที่ว่ามันรุนและต้องได้ใช้อุบายวิธีการอย่างหนักมากทีเดียวนี่และเริ่มที่จะได้ผลก็คือการผ่อนการอดอาหารอดนอนก็อดนี่ก็เคยอดเหมือนกันจะเป็นพอรอเจดิยนิสัยยังไงเราก็ทราบไม่ได้แต่เรื่องของการผ่อนอาหารอดอาหารนี่เห็นชัดรูด้ชัดภายใน จ, ใจิตใจอย่างน้อยทรงตัวได้น่ะ มากกว่า น, นั้นก็ขยับเข้าไปไ ด, ด้วยด้วยเนี่ยกิเลสตัวนี้จึงจะค่อยเบาลงบพอกิเลสตัวนี้เบาลงสติปัญญาก็นับวันหนักขึ้นหนักขึ้นที่นี้ก็มีช่องมีทางที่จะต่อสู้กันได้โดยระดับอันนี้หนีหนักถึงบอกว่านักต้องได้ใช้อุบายวิธีการยังหนักไม่หนักไม่ได้เพราะมันดึงดูดเอาที่สุดเลยไม่มีสิ่งใดในโลกอันนี้ที่จะดึงดูดหัวใจสัตว์ให้จมแนบอยู่กับพื้น แห่งความเกิดแก่เก็บตายเนี่ยยิ่งกว่าธรรมชาตินี้อันนี้ดึงดูดจริงๆหนักมากจริงๆเพราะฉะนั้นการดื้อการถอนการเข็นการลากกันออกจากที่จมมีดจมิตดนั้นจึงต้องได้ใช้กําลังวังสติปัญญาและความเพียรทุกด้านทุกทางโหมกันเข้าไปไม่เช่นนั้นไม่เห็นผลนี่นี่ทีอว่าเป็นขั้นที่ยากที่ที่หนักมากเพราะมันยากมากก็หนักมากดึงดูดมากเนี่ยเมื่อ อันนี้ควอยเบาลงไปเบาลงไปพร้อมกับอุบายวิธีการต่างๆที่เราพินิจพิจารณามีหลักของอสุภะอสุพังเป่งําขันพิจารณาร่างกายทั้งของเขาของเราส่วนมากเอาตัวของเราเนี่ยออกกระจายออกไปเอือท่านสอน้ไปเยี่ยมปา่าช้าก็มีแนวอันเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องให้มันเบื่อมันหน่ายในของอันนี้มีอยู่เต็มหัวใจเราแต่มันไม่เบื่อหน่าย มันยิ่งติดยิ่งพันเข้าไปไม่ว่าว่าเราผู้ใดมันติดมันพันกับสิ่งโสกโปกสมมมนนี้ทั้งนั้นจึงต้องเนี่ยคลี่คลายออกมาเอาความจริงเข้าให้มันดูให้มันพิจารณาความจริงคืออะไรในร่างกายนี้มีอะไรบ้างดูสิแม้จะหนังมันก็หาความสะอาดที่ไหนได้ชะล้างอยู่ทุกวันถ้ามันสะอาดแล้วชะล้างหาอะไรดูที่ไหน ก็คือความจบกระปุกของมันแต่ผิวผิวเผลนเผินนี้มันก็ยังแสดงให้เห็นแล้วข้างในเขาไปเป็นยังไงบ้างนั่นคือความจริงแต่กิเลสมันจะไม่เอามาใชา้เพราะโลกทั้งหลายจะไม่ติดมันมันต้องหาสิ่งที่โลกทั้งหลายจะติดจะพันุ์ที่มันกล่อมได้ง่ายมันจึงเอาเศษสันต์ปั้นหขึ้นมาแบบรวมลมแรง ๆ, งๆว่าเป็นของสวยของงามของกีลังถาวรเออเป็นสิ่งที่มีคุณค่าราคาโลกไหนสู้โลกนี้ไม่ได้ หฟังสิโลกไหนมันก็ไม่อยากไปถ้าลงมันจะติดอันนี้แล้วไม่ไม่ว่าผู้ใดอืมสัตว์ทั้งหลายติดกันเพราะอันนี้นี่ติดกันเพราะการเสกสรรตั้นยอ่อแห่งความจำเปอนของทุดเดชเมื่อเปิดออกไปด้วยกฎแห่งธรรมที่เป็นความจริงด้วยอันนี้จังทุกข์ขอนาตาและอสุภาอาสุทังแล้วมันจะไปไหนอไ อ, อเข้าหาความจริงเมื่อเจอความจริงแล้วบอกให้ยึดก็ไม่หยุดต่อยสลัดตัดที่ โดยไม่มีความอะไรเสียดายดเลยเลยแล้วยังเสียดายรู้ตั้งแต่ก่อนๆที่ยังไม่รู้ใชอีกนมะันอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เมื่อเข้าถึงกันแล้วเมื่ออันนี้เบาลงไปความดึงดูดก็ย่อมเบาลงไปจิตใจย่อมพอทรงตัวได้ไม่ดีดไม่ดิน้นไม่ถูกกัดถูกแรงากระโน้นเข็นไปนี่ถลอกปอกเปิกเหมือนอย่างแต่ก่อนพอทรงตัวได้จิตใจมีความสงบหนะัก นี่แหละ ว, วิธีการปฏิบัติให้จดจำมาไว้ให้ดีนี้คือธรรมของพระเจ้าสดสดร้อนๆเคยพระองค์และสาวกทั้งหลายแก้มาแล้วแก้โดย ว, วิธีนี้ธรรมชาตินี้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยสิ่งที่จะพิจารณานี้ก็เป็นสภาพเดิมเหมือนอย่างนั้นคงเส้นคงวาหน า, นานแน่นไปด้วยความปฏิกูลโศกพวกนิจจังถูกขังาตาเสมอต้นเสมอปลากันหมดเป็นแต่กิเลสมันหลอกว่าให้ยิ่งกันไปยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแท่านั้นแล้วก็หลงเหมือนเมื่อเอาควาจริงจับเข้าไปชืเข้าไปทำไมจะไม่เข้า จุดแห่งความจรินทั้งหลายเสมอต้นเสมอปลายเหมือนพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายแล้วทําไมจิตจะไม่ปล่อยวางเหมือนท่านหล่ะนี่พิจารณาอย่างนี้ในขั้นหนักต้องหนักเอาให้พันกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่อ า, อารมณ์อันใดเข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากอารมณ์อันนี้เท่านั้นอข้าวปลาปาเยี่ยมป่าช้าก็เยี่ยมทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่ง น, นอนนอนก็เยี่ยมเดิน นั่งก็เยี่ยมเดินก็เยี่ยมอะไรก็เยี่ยมดูกันดูอย่างนั้นเรียกว่าเยี่ยมพิจิตรพิจารณาค่อยควรเห็นตามหลักความจริงเอาจิตมันดืดไปไหนมันอยากไปไหนความอยากอันนั้นมีแต่เรื่องของสมุทยัยมากต่อมากจะให้เป็นความอยากเป็นมรคนี้ยังเป็นไปมาได้ในขั้นเริ่มแรกต้องเป็นเรื่องความอยากของสมุทัยทั้งนั้นจนกว่ า, วาสติปรรัญญาศรัทธาความเพียรของเราหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นจิตมีกําลังแล้วทีนี้ความอยากทางด้านธรรมะไม่ต้องบอกนี่ชนะกันไปเรื่อยเลย ความอยากทางนี้ดิ้นออกดิ้ดออกตรงไหนมีแต่จุดิ้ดออกจากความผูกพันทางนั้นนี่ความอยากนี้เป็นมานัน่นก็รู้ในหัวใจเจ้าของเองนั่นแหละมันจะรู้ที่ไหนนี่ในเบื้องต้นจากเแก้าธรรมชาติคือราคะตัณหาที่เป็นเครื่องก่อกวนบีบบังคับให้จนกระทั่งถึงเหมือ่อหนึ่งว่าซวงอกจะแตกนะเวลามันมันบีบพอๆมันเสียดมันแทงพอๆแล้ว เหมือนกับแหลมกับเหลาแท้งอยู่ในหัวใจมองเห็นอะไรไม่ได้ได้ยินอะไรไม่ได้ ม, ม, ม, มันเป็นค่าศึกเข้ามาทิ่มแทงนี่ทั้งนั้นทีเดียวนี่เรื่องกองทุกมันอยู่ตรงนี้ที่มากที่สุดแล้วสิ่งที่ดูดดืม่มก็ดูดดืม่มอันกองทุกมากๆอันภัยมา ก, มา ก, มากนี้แหละมากที่สุดจึงต้องเลยเตะเกียก ต, ตะกายกันอย่างหนักอะเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดเหวี่ยงกันอยู่นั้นเมื่อหลายครั้งหลายผลความจริน จดเข้ามาถอยแทงเข้าไมาถอยขุดค้นเข้ามาถอยมันก็เข้าถึงความจริงด้วยความเชื่อที่นี่อ๋อเป็นอย่างนี้หลายครั้งหลายผลเข้าไปยิ่งชัดเข้าไปชัดเข้าไปชัดเข้าไปสิ่งที่ว่าสวยๆมามมองหาที่ไหนมันไม่มีก็มันไม่เคยมีอยู่แล้วจะอะไรมาใหม่มันหลอกเฉยๆนะี่ความจริงต่างหากมีอยู่คก็อย่างเชื่ออาชุพะอาุพังทุกขังอนาตานั่น มีอยู่ประจําอันนี้แต่มันไม่ดู ม, ม, มันไม่มันไม่เชื่อ ม, มันเชื่อไปลมๆแรงๆเพราะฉะมันจึงเป็นบ้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนในหัวใจของเราแต่ละดวงละดวงนั่นแหละยาไปตำหนีผู้หนึ่งผู้ใดมันดูหัวใจเจ้าของเวลามันดีวันดินเพราะฉะนั้นจึงต้องไดเอากันอย่างหนักอันนี้ขั้นนี้ค่อยเบาบางลงไปใจมีความสงบเย็นได้แล้วการลบวุนจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เบาลงเบาลงนั่นที่จิตสบาย ปัญญาพิจารณาเข้าไปยิ่งแยกยิ่งแย่เข้าไปให้เห็นชัดเจนจนกระทั่งถึงความรวดเร็วของปัญญาจะมองเห็นรูปใดหญิงใดชายใดก็าตามมันจะรวดเร็วเหมือนฟ้าแลบพอมองเห็นทับความปฏิกูลโสโครมาพร้อมกันเพิบเพบเพบนั่นเรียกว่าความรวดเร็ว ของสติปัญญาเป็นเองเป็นเองเมื่อถึงขั้นเป็นเองแล้วไม่ไม่ต้องระบังคับให้เป็นอย่างนั้นหากเป็นเองเองมองเห็นเราฉันใดมองเห็นคนอื่นก็ฉันนั้นดังที่เคยได้ยกนิทานในธรรมบทมาแด้วแสดงเป็นคติแก่ผู้ฟังทั้งหลายว่ามีพระองค์หนึ่งท่านกำลังบำเพ็ญสมณมธรรมเวลานั้นท่านกำลังเจริญกรรมฐานมีอัติเป็นสาคัญ พิจารณาร่างทั้งหลายนี่มันเปืือยมันผุมันพังไปหมดเยือนยืนเดินนั่งนอนตัวเจ้าของเองหลีมีตั้งแต่ร่างกระดูกเท่านั้นโครงกระดูกไม่มีเนื้อไม่มีหนังติดตัวเลยตแต่จากหัวใจอยู่ตลอดเวลาของท่านผู้ปฏิบัติอยู่ในขั้นนั้นน่ะี่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งผ่านมานี่แล้วสามีเขาก็ตามมาก็มาถามท่านว่าท่านอยู่ที่นี่ท่านไปเห็นผู้หญิงเดินผ่าน มานี้บ้างหรือเปล่าท่านบอกท่านไม่ได้เห็นผู้หญิงผู้ชายที่ไหนผ่านมาเห็นแต่กองกระดูกนะผ่านไปนี่นานตั้งสิคือท่านดูของท่านเป็นชั้นใดดูภายนอกก็เป็นชั้นนั้นเพราะความชำนาญของใจและรวดเร็วเป็นอย่างนั้นท้งนั้นมองเห็นคนทั้งคนนี่แต่ก่อนมันมันเป็นเทวดาไปฮะมันกินเลตมันเสกสรรปันยออย่างรวดเร็วถึงขนาดที่ว่าเป็นเทวดาพูดอยู่บนชั้นสวรรค์มันก็ ถึงกันได้อย่างรวดเร็วแต่พอสติปัญญาทันเข้าทันครับรวดเร็วก็โดนหนักมองเห็นภาพมันถ้าผู้ทำนานในทางโครงกระดูกมันจะเห็นตะโครงกระดูกเท่านั้นเนื้อหนังไม่ทราบไปไหนเอาผู้ที่ทานานทางเนื้อมองเห็นร่างกายของคนแดงโลดไปหมดเหมือนกับร่างกายของตัวเองนั่นมันทานานจากความทานานนี่แล้วไปยังไงปล่อยวางโดยประการทั้งปวงนั่น นี่ะขั้นต่อยวางนี้เป็นปัจจากสิตธิคือรู้เฉพาะตนการอธิบายในขั้นนี้อธิบายยากเมื่อพอแล้วจิตจะถอยเข้ามาเห็นโทษทั้งสิ่งนั้นด้วยเห็นโทษทั้งความทั้งใจผู้ไปนั่นหมายอั น, นั้นว่าเป็นของสวยของงามและยิดนั้นด้วยน่ก เมื่อเห็นโทษทั้งภายนอกเห็นโทษทั้งภายในแล้วก็จะหลงอะไรผู้นี้ก็เป็นผู้ไปไปยืดไปถือก็รู้มันอยู่แล้วนี่คือตัวขโมยตัวโจรอันนั้นเขาอยู่ตามสภาพของเขาเขาไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้สําคัญตนว่าเป็นของสวยของงามแต่ผู้นี้ต่างหากเป็นผู้ไปสําคัญว่าสวยว่า ง, งามเมื่อตอนได้รู้โทษของของตัวเองอย่างชัดเจนแล้วก็ปล่อยวางนะฮะปล่อยอเมื่อปล่อยนี้ก็ เขดยังให้เห็นชัดเจนว่าเครื่องนึ่งดูดอันนี้ไปในขนาดเดียวกันแล้วที่จิตใจเป็นยังไงเมื่อเครื่องนึ่งดูดอันหนักที่สุดภูเขาทั้งลูกสู้ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ไปรื้อแย่งแข่งดีกันกับภูเขาเรายื้อแย่งแข่งดี ก, กันกับอันนี้ต่างหากเราจะเห็นได้ชัดว่าหนักขนาดไหนทีนี้พอปล่อยอันนี้ลงไปแล้วเบาขนาดไหนไหนัก นี่คุณค่าแห่งการปฏิบัติแห่งการพิจิพิจารณาอย่างเอาจริงเอาจริ ง, เ อ, งเอาเป็นมาตายไม่ว่าครั้งโน้นครั้งนี้จะเป็นแบบเดียวกันนี้เพราะสวัสคิธรรมจากได้ชอบแล้วปริพัน์ไปแล้วก็ชอบอย่อยางนั้นจึงเรียกว่าสวัสดธรรมไม่ใช่เวลาพระองค์ยังทรงประชนอยู่ทำที่ตัดไว้แล้วนี้เป็นธรรมที่ชอบเวลาปริพันธไปแล้วธทำนี่เหลวไหลเหลวแหละไม่มีสวัสดธรรม เป็นทำด้วยโคงเส้นของวาตัดไว้ตามความจริงทั้งหลายความจริงมีจริงฉันใดทำก็ตัดไว้ฉันนั้นเช่นอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้อายุพอายุพังทุกขังนตตาเป็นของจริงมาแต่ไหนแต่ไรทำก็ตแตกไม่ได้อย่างนั้นแล้วยังจะเป็นของจริงตลอดไปถ้าผู้ดําเนินอย่างนี้แล้วมีทางที่จะหลุดจะพ้นต่อยวางไปได้ไม่สงสัยนี่มีขั้นสําคัญวันนี้เปิดให้ท่านทั้งหลายได้ฟัง ท่าสำคัญที่มันดูดมันดึง ม, ดดมันบีบมันบังคับจิตใจหาที่อยู่สิยังไงอยู่สบายไม่ได้เลยก็คือธรรมชาติอันนี้มันบีบมันบังคับเวลาพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งถึงมีกําลังบางชาสามารถรอบตัวแล้วไม่ต้องบอกก็ปล่อยอย่างที่ว่าเมื่อปล่อยอย่างนี้แล้วความดึงดูดก็เป็นนั้นว่าปล่อยไปด้วยกันอนั่นเพราะเหตุนั้นพระอาคามพระอนาคามีท่านจึงไม่ลงมาเกิด ให้มันเห็นจะเจับยังว่าใจจะของกันติดเกิดเพราะอันนี้เป็นเป็นเครื่องดึงไว้ไปไหนไม่ได้ต้องลงมาเกิดตายเกิดตายอยู่นี่<ฮ>เมื่อเครื่องดึงดูดนี้มันขาดไปแล้วไม่มีอะไรเหลือลจิตก็ดูดเหมือนสัมรีเหมือนนุ่นเหมือนสัมรีเบาหิว<ฮ>หิวหิวค่อยลอยตัวขึ้นไปลอยตัวเกินไปนั่นเรื่องอะไรไม่มีหนักยิ่งกว่าเรื่องราคาตันหา ท่าในหัวใจของสัตว์โลกเอาให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่อยเถอะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจะไม่ว่าอย่ไรอันนี้หนักมากไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายสัตว์ประเภทใดไม่ต้องไปหาศึกษารเรียนมาจากที่ไหนดังที่เขาโฆษณาเป็นบ้ากันอีู่ทั่วโลกดินแดนเนี่ยโฆษณาหาอะไรมันมีอยู่กับทุกคนใครไม่ไปเรียนมันก็รู้มันก็เป็นด้วยกันหมดเนี่ยชาติเดชาญเขามีโรงเรียโรงเรียนที่ไหนเขาจะเป็นไหมก็ดูที่เพราะมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนเป็นทุกคนรากเข็นกัน ให้ดีให้ดิน ด, ด้วยกันทุกคนนี่เห็นมันเห็นชัดอย่างนั้นเลการปฏิบัติเมื่อสิ่งที่ดึงที่ลากให้ดิ่งลงจมอยู่ตลอดเวลานี้มันขาดสะบ้้นไปจากหัวใจแล้วไปยังไงหัวใจตรงนั้นไม่มีเครื่องดึงดูดได้เป็นไงนั่นหละที่วันลอยลอยขึ้นละเอียดสติปัญญาก็ไม่ต้องใช้แบบผ่าโลโจนทยานเอาตนเอาตายเขาว่าเหมือนการพยายาิจารณาเรื่อง ของอสุภะอสุพังตุกข อ, อนาตาที่เกี่ยวกับราคาตันหานี่เลยอันนี้หนักมากปัญญาก็ต้องเอาให้เต็มเหนี่ยวชาติก็เลยตั้งตั้งจริงๆไม่ตั้งไม่ได้ไม่ทันกันปัญญาก็ต้องขุดต้องค้นจริงๆไม่งั้นไม่ทันกันนั่นมันต้องหนักขนาดนั้นเลยมันเห็นกระจัดเจ้าของผู้ปฏิบัติมนันก็พูดได้เอง่ะไม่ไม่ต้องสงสัยเพระธรรมพระเจ้าทำเพื่อรู้เพื่อพูดได้ทําไมจะจะรู้ไม่ได้ทำไมจะพูดไม่ได้ฮะ อ๋อมันอย่างนั้นสิเมื่อเวลานี้มันขาดสะบั้นตรงกลางของใจแล้วใจอย่งนั้นก็ลอยตัวขึ้นมาท่านั้นเลยหมดความดึงดูดอย่างรุนแรงอย่างนั้นมีก็มีอยู่อย่างละเอียดละออนั่นแหละที่อยท่านว่าทําส่วนละเอียดเพราะฉะนั้นท่านนาคามีท่านจริงไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกท่านค่อยลอยตัวขึ้นไปถําไม่ลอยตัวขึ้นไปนั้นลอยขึ้นไปด้วยอัตโนมัติ คือความบ่มอินทรีย์ของตัวเองไปในขนาดนั้นในขนาดนั้นถ้ายังมีชีวิตอยู่แล้วก็คือการบําเพ็ญตนได้สะดวก ง, ง่ายขึ้นง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นถึงขั้นอรหัตตภูมิในชีวิตนั้นโดยไม่ต้องสงสัยดังพระอานุ์เป็นตัวอย่างอ่ะเราไม่ยกมามากอลไรลยกอย่างพระ อ, อนุนท่านสําเร็จพระโสดาในขั้นนั้นเดีย ว, ว ก, ก็ถึงขั้นพระรหัตตบุคคลขึ้นในชาตินั้นก็ก็ได้เพราะการบําเพ็ญ การบำเพ็ญคือการหนุนอยู่ตลอดเวลาบำรุงอยู่ตลอดเวลาส่งเสริมตลอดเวลาก็ค่อยเคลื่อน ย, า ย, อ ย, อย้ายเคล่้ายนี่ยิ่งจิตถึงขั้นนี้แล้วก็ย่อมเป็นจิตอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติทัติปั ญ, ปญอัตโนมัติความเพียรเป็นอนัตโนมัติถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็เร่งเข้าไปอิจนั่นมันหนักเข้าไปอิจถ้าไม่มีชีวิตตายไปแล้วก็เป็นอนัตโนมัติของตัวเองค่อยละเอียดเข้าไ ป, ไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปควรอยู่ ในขั้นใดก็ขั้นนั่นขั้นนั่นอย่างที่ท่านว่าอวิหาตตาสุรษะชุสีอคณิิฐานี่ท่านหมุนขึ้นไปเรื่อยๆของท่านด้วยอํานาจแห่งความเพียรอัตโนมัติหากเป็นอยู่ในใจพูดไม่ถูกนันนี้ที่ว่าความเพียรควมเพียรนี้นํามาพูดเฉยเพราะโลกนี้มีสมมูิถ้าให้ละเอียดกว่านี้ก็พูดได้ยากทั้งทั้งี่ใจรู้อยู่อย่างละเอียดก็ตามนะเมื่อพูดออกมามันพูดไม่ได้จะทําไงก็ต้องเอาเอาสมมูิที่อยากมาพูดกันเนี่ย พูดกันพอรู้เรื่องกันก็ก็คือเป็นอัตโนมัติจิตจิตนั้นเป็นอัตโนมัติค่อยหมุนตัวไปหมุนตัวหมุนตัวตัวสู่ความละเอียดหมุนตัวเข้าไปสู่ความละเอียดเรื่อยๆแล้วก็เลื่อนขึ้นเรนสุดท่ากระดิดถึงจากชั้นอาการิฐาถึงนิพพานหมดไม่มีอะไรเหลือเลยขึ้นชั่นว่าสมมุตินั่นที่ว่าสมมตุนนมมติมีก็อย่างพระอนาคามีเขามีสมมุติขั้นละเอียดละเอียดแต่ไม่ถึงเป็นขั้นสมมุติอันดึงดูด ที่หนักมากที่สุดเหมือนธร ร, ธรรมชาติอันนี้นี่ทำเหล่านี้เป็นทำสดสดร้อนๆเราอย่าดิ้นอย่าดิดแ ต, ตหาเมืองอินเดียเราอย่าดิ้นอย่าดิดแตหาพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านผู้ทรงมรรคทรงผลแล้วว่าเป็นเจ้าของแห่งสมบัติเหล่านี้แต่พระองค์เดียวพระองค์เดียวสถานที่เดียวนั้นสถานที่นี่ก็คือวงแห่งอริยสัจตัวของเรานี i คืออริยสัจพระพุทธเจ้าตรัสเลยด้วยอริยสัจ พระสาวกอรหันทั้งหลายเว้นไม่ได้แม้แต่พระองค์เดียวจารสรูบ้บรรลุธรรมด้วยอริยสัตว์นี้ทั้งนั้นเวลานี้อริยสัตว์มีหมยอยู่ในตัวของเราทุกข์สัตว์เป็นมาจากอะไรเป็นมาจากสืมุทายสัตว์มีการมราค้เป็นต้นจะว่างนี้กันเลการมรัค ห, ห, หานพรทธฐานวิาุทธฐานี่หลักใหญ่นี่แหละคลือตัวสมุทัยตัวผิดทุกข์ให้เกิดขึ้นนี่เรียกว่าสัจจะสองแล้วอริยสัตว์ฟังสิ สัตจัดสองแล้วนิโรดมากนีโรดดับดับเพราะอะไรนั่นดับทุกประเด็นดับดับเพราะอะไรถ้าสมุทัยไม่ไม่ดับประเด็นดับทุกจะดับประเด็นดับได้ยังไงสมุทัยดับประเด็นดับเพราะอะไรเพราะมรรคน่นมรรคคืออะไรสมาธิสมาสังโปสรุวบลงแล้วคือสติกับปัญญานั่นแหละเป็นสําคัญมีอริยสัจนี่่อยู่ที่ไหนเวลาอไรนี่เหลือไหลไปหมดแล้วเหลือพระพุทธเจ้ากลับไปแล้วไม่มีความหมายอะไรเหลือ อริยสัจถ้าเรายังเห็นอริ ย, ยสัจเป็นความจริงดังพระเจ้าที่ทรงสอนและทรงผ่านพ้นไปแล้วนั้นอยู่ในตัวของเรานี่เป็นความจริงอย่างนั้นแล้วทําไมเราจะนําสิ่งเนี้มาท่าฟันหรือหันแหลกกันกับกิเลสไม่ได้ละ่ะก็ามันมีอยู่สี่สี่อย่างนี้เท่านั้นไม่ได้มีหกอากสิบอย่างเมื่อพระเจ้าปฏิภานไปแล้วมีอยู่เท่าเดิมคติปัญญาถดเข้าไปให้ดีสิแล้วจะปรากฏขึ้นมาที่นี่เมื่อ สติปัญญานี่เรียกว่ามากหนึ่งถึงขั้นละเอียดเต็มภูมิแล้วกิเลสละเอียดขนาดไหนเถอะมากนี่ฟันขาดจะบันะ้นไปเลยไม่มีเหลือนั่นแหะท่านาอริยมากนะเป็นมากที่ละเอียดมากสามารถที่จะสังหารกิเลสได้ทุกประเภทอย่างที่ท่านแสดงไว้ในภาวนามัญปัญญาสุตตานัญญปัญญาปัญญาเกิดขึ้น จากการได้ยินได้ฟังเช่นเราได้ยินในฟังจากครูจากอาจารย์มันก็แตกแขนงออกไปอ๋อท่านว่างั้นนั่นเกิดปัญญาขึ้นมาขแขนงหนึ่งขแขนงหนึ่งนี่เรียกว่าสุตมะยปัญญายินตามะยะปัญญาเป็นนิสัยคนชอบไข้ ค, ควนเห็นอะไรอะไรชอบคิดชอบอ่านแม้จะเป็นนิสัยสามัญชนก็ตามแต่เป็นนิสัยที่ชอบคิดชอบอ่านนั่นท่านเรียกว่ายินตามยะปัญญาส่วนภาวนามยปัญญานี้เกิดขึ้นจากด้านภาวนาล้วนๆไม่ขึ้นกับอะไร ไม่ขึ้นกับการเห็นการได้ยินได้ฟังาตามทั้งปากคำอะไรทั้งนั้นแต่เป็นธรรมชาติของตัวเองหมุนติว่วติ่วอยู่ภายในเพราะเวลานั้นกิเลส อ, อยู่ภายในแล้วก่อนที่สติปัญญา น, นี่จะฟาดฟันหันแหลกกันหรื อ, อ, อ, อจะทําลายกันก็เพราะกิเลสนั้นถูกต้อนเข้ามาหมดแล้วส่วนหยาดส่วนหยาดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยขาดจะ บ, บั้นไปหมดแล้วอยู่ภายในอยู่ภายในอย่างละเอียดสติปัญญาก็ทําหน้าที่ของตนออย่างละเอียดเป็นอัตโนมัติ เมื่อเจริญขึ้นเจริญขึ้นก็เป็นมหาสติมหาปัญญาเรื่อยๆมหาสติมหาปัญญาเป็นยังไงให้มันเห็นกับหัวใจของยุ้ยเจ้าเป็นโมฆะบุคคลเหรอสอนโลกแบบประปาวงั้นเหรอแล้วทําไมพวกเรามันจึงเป็นแต่โมฆะโมฆะเต็มไปหมดทั้งทั้งยุ้ยเจ้าเป็นผู้จัตเจดาอง์เอกแล้วสอนพวกเรามันเป็นหังมันก็โมฆะตาก็โมฆะจิตใจเป็นโมฆะหมดมันมีพิษมีสงฆ์ตั้งแต่ที่เดียดนั้นเหรอถึงได้มัดคอเราตลอดเวลาเนี่ เราอยากพูดอย่างนั้นนะมันคันฟันกิน่ะเราะีิเลสอยู่ใน ห, หัวใจนี่อริยศาสตร์อยูย่ใน ห, หัวใจทาไมม า, มาฟาดฟันกันมันแหลกไปดีเราพูดถึงเรื่องมารวิธิมาปัญญาแล้วก็ก้าวเข้าสู่ธรรมะละเอียดเข้าไปโดยลำดับเอาเทนิกิเลสละเอียดขนาดไหนก็เอาเถอะว่างั้นเลยธรรมชาตินี้จะเป็นเหมือนไฟได้เชื้อเชื้อละเอียดขนาดไหนจะไม่พ้นไฟไปได้เลยไฟจะลุกลามลุกลไปจนกระทั่งเป็นเท่าเป็นฐานนั้นแหละไฟถึงจะหยุดอันนี้ก็เหมือนกัน เมื่อสติปัญญาขั้นนี้ได้เกิดขึ้นเรียกว่าภาวนามยปัญญานี่ได้เกิดขึ้นแล้วทําหน้าที่ของตนบนหัวใจของเราที่กิเลสเคยฝังจมอยู่ภายในนั้นเลือดแล ะ, และกิเลสเคยครองอยู่นั้นตอนอัตโนมัติัองตัวเองจนกว่ า, วากิเลสนี้จะพังไปหมดเทั้งไหร่ปั้นสติปัญญาความเพียรประเพนี้จึงจะหยุดตัวได้ไม่อย่างนั้นไม่หยุดกิเลสทําหน้าที่ของอยู่บนจิตใจเป็นอัตโนมัติชั้นใดสติปัญญาขั้นนี้ก็ ทำหน้าที่ทำรักจิเล็หรือสังหารกิตเล็บนจิตใจในธรรมดังเดียวกันโดยอัตโนมัติไม่มีอะไรสงสยัยไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยจนกระทั่งมันจิเล็หมดุดมอดไปหม ด, หมดไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่ต้องบอกก็หยุดเองฮะเป็นหลักธรรมชาติอีกเหมือนกันไม่ต้องไปบังคับาาหากเป็นเองนี่ทําเหล่านี้มีตัง้งแต่ทั้งพระพุทธเจ้าเหนือพวกเรามันทํามมันถึงเร็วๆหลายๆโดยเลยโลกเร่ อ, อยู่ไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยผู้สอนก็จะตายผมสอนนี่เต็มภูมิมันะ ผมพูดจริงๆผมไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในหัวใจของผมเลยสอนหนูเพื่อนสอนด้วยความเมตตาสอนด้วย ก, กําลังใจไม่ได้ไม่ได้ปิดได้บังพูดให้เห็นตามความจริงอย่างนี้แต่วา่าไงใครจะว่าบ้าก็บ้าไปสิก็พูดความจริงนี้อย่างนี้จะให้พูดว่ายังไงนูเรดมันพูดได้มันเป็นได้แล้วทําไมเราจะตามแก้ตามถอนตามถอนยูเรดแก้ไม่ได้ถอนไม่ได้วะยูเรดมันมันเป็นประเภทใดธรรมะก็ต้องเป็นประเภทนั้นตามแก้ตามล้างตามผานกันให้มันจนกันทั่งมุดหมอดสิ้นซ่า้งหมดเลย ในหัวใจแล้วที่เขาจะว่าอะไรก็ช่างเถอะเรื่องโลกนี่มเป็นสมมุติอยู่อย่างนั้นธรรมชาตินี้ไม่เหมือนอะไรท่านฟังสินั่นล่ะพติความรู้ของพระพุทธเจ้ากับความรู้ของสาวกท่านยังไม่เหมือนใครไม่เหมือนอะไรในโลกนี้ความรู้ใดก็ตามอย่าไปแข่งกับความรู้ของผู้สิ้นจิตเหลืนี้เป็นตปไม่ได้เลยเพราะความรู้ของเราท่านท่านทั้งหลายในโลกนี้เป็นความรู้ของที่ที่เกิดขึ้นจากจิตเหลนั้นเป็นความรู้ของคนอยู่ในต้หน้าของจิเหลนจะรู้ขนาดไหนจิตเหลนต้องครอบหัวอยู่เสมอเสมอ หมนให้จิตได้หลุดพ้นจากนั้นไปเลยทีเป็นยังไงที่นี่นี่อะไรมาบีบบังคับไหมไม่มีนะ่แล้วความรู้เพ่ง น, นั้นเป็นยังไงเนะจะพูดได้หรือว่าจะเห็นได้ชัดเจนก็ตั้งแต่ผู้ที่สิ้นนั้นเท่านั้นเองถ้ามันเป็นบริหารอย่อนพวกเรานรือท่านนี้ก็ว่ากันว่าไปนั้นเป็นลมปากไปเฉยไม่เกิดก็อยู่อะไรแต่ถ้าก็ตั้งอกตั้งใจนะ แม่นั่นไม่เรื่องนั้นยย น, นี่มันจะจมไปจมไปทุกวันสุดท้ายก็พระเหมือนโยมโยมเหมือนพระบ้านเหมือนวัดเหมือนบ้านแต่ะนะมันย่อมีเรืผิดแปกกันมีแต่ผู้ ส, สั่งสมกิเลสผู้อยู่ในวัดก็สั่งสมให้เต็มเต็มภูมิเต็มสติกําลังความสามารถของพะอระญาติโยมก็เต็มภูมิของเขาลกก็เต็มภูมิของโลกศาสนาก็เต็มภูมิศาสนามีแต่ผู้สั่งสมกิเลสอย่างเดียวแล้วจะเอาความเย็นมาจากที่ไหนไม่มีโลกนี้ใครจะอวดเจ๋งไปนะเจ๋เตัวถ้าปราศจากธรรมที่อย่างเดียวเท่านั้นจมโลกนี้ ยัขอให้ท่านทั้งหลายได้นําแบบพปินิตพิจิตรมาให้ไพคุยปฏิบัติเอาจริงเอาจังนี่หลักผมจะเป็นอย่างนี้ไม่สงสัยสุภาษิตธรรมตัดไปชอบอย่างนี้เสมอต้นเสมอปลายเช่นเดียวกับอายศาสตร์มันมีตลอดมาแา่การไหนถ้าเราเด็กฟื้นฟูนขึ้นอายศาสตร์ฝ่ายแก้ฝ่ายถอนฝ่ยถอนขึ้นมาให้มันทันกันแล้วยังไงที่เดลสจะต้องพังเช่นเดียวกับขังบ้งพุทธการท่านอะพอ